สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปยซูตอนที่ห้าร้อยเก้าเปเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สิบสี่เช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมฮีบรูมาถึงบทที่หกแล้วนะครับบทที่หกนี้เป็นบทที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเป็นเรื่องของการสรุปความคิดที่ถูกเริ่มต้นในบทที่ห้า พี่น้องคงจําได้นะครับว่าในบทที่ห้านั้นผู้เขียนพระธรรมฮีบรูนี้ก็ได้ตําหนิผู้อ่านในเรื่องที่ว่าพวกเขาควรจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณในบทที่หกนั้นก็ต่อเนื่องกันมาครับท่านก็เตือนผู้อ่านที่ได้ยินข่าวประเสริฐแต่หันไปเสียพี่น้องครับเราจะเห็นว่าผู้เขียนฮีบรูนั้น ค่อนข้างจะมีโครงสร้างที่ชัดเจนนะครับมีระบบโครงสร้างที่ชัดเจนในการเขียนพระธรรมฮีบรูซึ่งตรงนี้ได้หมายถึงว่าคนสร้างเองนั้นก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมากเป็นผู้ที่ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และโครงสร้างนั้นเป็นโครงสร้างที่ชัดเจนและแข็งแกร่งทำให้เราเห็นว่านี่คือคาเตือนสติ ทำให้เราสามารถแบ่งประเภทของครื่เตียนที่อยู่ในเคริสองักรที่ฮีบรูได้ที่เป็นคนฮีบรูได้เพียงครับจากตรงนี้นี่เองก็ทําให้เราเห็นว่าในคริสตจักรของพระเจ้านั้นก็ในบทที่ห้าก็เป็นคริสตจักรที่จะมีผู้ที่ไม่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในบทที่หกคริสตจักรก็จะมีผู้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่เติบโตผู้ใหญ่และประเภทที่สาม ก็คือละทิ้งความเชื่อไปคือหันไปจากความเชื่อดั้งเดิมพีน่น้องครับนี่คือสิ่งที่วันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันผมอยากจะอัญเชิญพระเจ้าของพระเจ้านะครับในฮีบรูบทที่หกข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สามฮีบรูบ ท, ที่หกข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สามโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าเหตุฉะนั้นขอให้เราผ่านหลักธรรมเบื้องต้นแห่งคิตตศาสนา ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ไม่วางรากฐานซ้าอีกคือเรื่องการกลับใจจากการกระพิ ท, ที่นำไปสู่ความตายเรื่องความเชื่อในพระเจ้าและคำสอนว่าด้วยพิธีล้างชำระพิธีวางมือและการเป็นขึ้นมาจากตายและการที่ภาคสาลงโทษเป็นนิดนั้นถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาตเราก็จะได้ก้าวหน้าไปอย่างนี้ เพียงครับในฉบับคิงเจมส์นะครับอ่านได้ความอย่างนี้นะครับคล้ายคลึงกันแต่ก็มีความแตกต่างกันบ้างผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับเหตฉะนั้นให้เราละประถมโอวาทของพระคิดไว้และให้เราเก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์อย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาวางเป็นรากอีกเลยคือการกลับใจเสียใหม่จากการบัพพฤติกรณีสมมุติที่ตายแล้วความเชื่อในพระเจ้าคาสอนว่าด้วยพิธีบัพติศมา และการวางมือและการเป็นขึ้นมาจากตายและการทิพภากษาลงโทษเป็นนิตรนั้นถ้าพระเจ้าจะทรงโปรดอนุญาตเราจะได้เราจะกระทําอย่างนี้ได้พี่น้องครับถ้าเรานึกถึงตอนปิดท้ายของบทที่ห้าตรงนั้นนะครับผู้เขียนเตือนสติผู้อ่านของท่านว่าพวกเขายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่และยังได้กล่าวถึงเรื่องนั้นต่อนะครับว่าพรสมโอวาสของพระคลิก ก็คือพื้นฐานแห่งพชนะของพระเจ้าให้เราเก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์ก็คือต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ ญ, ญาณเพราะฉะนั้นความหมายหลักนะครับก็คือให้เราละเรื่องพื้นพื้นไว้ได้ได้แล้วนะครับให้เราละเรื่องพื้นพื้นเรื่องพื้นฐานเรื่องเบสิกและมุ่งสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญ ญ, ญาณได้แล้วพี่น้องครับเรื่องพื้นฐานฝ่ายวิญ ญ, ญาณตรงนี้มีอยู่หกเรื่องด้วยกันครับ หกเรื่องด้วยกันครับในบทที่หกข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะครับเรื่องแรกก็คือการกลับใจเสียใหม่จากการประพฤติที่ตายแล้วหมายถึงอะไรครับการกลับใจเสียใหม่จากการประพฤติที่ตายแล้วหมายถึงการแสวงหาความรอดโดยการประพฤติพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นพื้นฐานหลักของพระคัมภีรก็คือว่าเรานะครับได้ความรอดโดยความเชื่อครับหลายหลายคนเข้าใจผิดว่าเรา แสวงหาความรอดโดยการประพฤติตรงนี้ครับจะต้องกับใจเสียใหม่ครับและนี่คือเรื่องเบสิกด้วยนะครับประการที่สองครับความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าก็คือเราต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าและเราต้องเชื่อถึงระดับที่ว่าเราต้องเชื่อศรัทธาเราต้องเชื่อแบบเชื่อฟังและเราต้องเชื่อจนถึงระดับสูงสุดคือเชื่อไว้าวางใจ พี่น้องครับอันนี้คือความเชื่อในพระเจ้าเชื่อในปริธานุภาพของพระเจ้าเชื่อในพระลักษณะของพระเจ้าเชื่อในหลักข้อเชื่อพื้นฐานเรื่องพระเจ้าประการที่สามก็คือคําสอนที่ว่าด้วยพิธีบัพติศมาพิธีบัพติศมานั้นมีความหมายก็คือเป็นการแสดงแสดงตัวนะครับประกาศตัวว่าตัวเองนั้นได้กลับใจรับเชื่อพระเจ้ามาแล้วนะครับ ตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลายทุกคนจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องพิธีบัพติศมานั้นไม่ได้ทำให้คนรอดครับพิธีบัพติศมานั้นเป็นพิธีที่เราจะเข้าสู่พันธสัญญาในขณะเียกันเป็นพิธีประกาศตัวเองครับประกาศตัวเองว่าต่อไปนี้เราได้เลือกทางเดินของพระเจ้าประกาศให้ใครประกาศต่อหน้าสาธรารณชนประกาศให้เครอจักรซึ่งเป็นพระอวรกายของพระคิดประกาศให้สมาชิกเครือจักรเพื่อที่สมาชิกที่แตกกันก็จะเข้าสู่พันธสัญญาในการดูแล ผู้ที่รับบาปศมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับในศตวรรษแรกนะครับการบรัพาิศมานะครับก็จะเป็นวิธีปฏิบัติที่แพร่หลายนะครับสําหรับผู้ที่ได้กลับใจใหม่เรื่องที่สี่ครับก็คือเรื่องของการวางมือในศตวรรษแรกก็เช่นเดียวกันครับเป็นวิถีที่คริสเตียนทําอยู่การวางมือนั้นมีความหมายถึงการอวยพร และการแต่งตั้งนะครับอวยพรและการแต่งตั้งคือหมายถึงการอธิษฐานเผื่อการขอพรให้นะครับและการแต่งตั้งแต่งตั้งใครครับแต่งตั้งผู้นํานะครับแต่งตั้งผู้นําแต่งตั้งผู้ที่รับการเจิมนะครับรับการเจิมการวางมือนั้นนอกจากเป็นการอธิษฐานเผื่อนะครับเป็นการขอการอวยพรนะครับก็เป็นเรื่องของการแต่งตั้งผู้นําเบสิคประการที่ห้าต่อไปครับคือการเป็นเชื้อเนื้อความตาย ครับเป็นเรื่องพื้นฐานความเชื่อคริสเตียนในพระคัมภีร์ใหม่อยู่แล้วครับพี่น้องเราไม่ใช่พวกซาดูสีนะครับที่ไม่เชื่อเรื่องการเป็นเครืเหนือความตายนะครับเราเชื่อเรื่องความการเป็นเครืเหนือความตายในวันสุดท้ายที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราอีกครั้งหนึ่งไปอยู่กับพระองค์และคนที่ไม่ได้เป็นลูกของพระองค์นั้นก็จะเป็นเครื่องเหนือความตายและเข้าสู่การพิพากษา ประการสุดท้ายครับการพิพากษาลงโทษเป็นนิดก็เป็นเรื่องพื้นฐานครับและนี้ผู้เขียนฮีบรูนะครับได้พยายามที่จะให้ผู้อ่านนั้นได้เข้าใจเรื่องพื้นฐานหกประการนี้ว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเบสิคจริงๆที่เราจะต้องเข้าใจให้เหมือนกันนะครับเข้าใจอย่างถูกต้องนะะและท่านบอกว่าคริสเตียนจะต้องละละจากเรื่องพื้นฐานเหล่านี้ไว้แล้ว นะครับหมายความว่าจะต้องผ่านหลักการเบื้องต้นนี้ไปได้แล้วเพื่อที่จะมุ่งสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณต่อไปพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองนะครับเราคงจะต้องทบทวนดูครับว่าหกประการที่ได้กล่าวไว้นะครับในพระธรรมฮีบรบทที่หกข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนะครับหกประการผมอยากจะขอทบทวนนะครับ6ประการนี้เราเข้าใจนะครับจริงๆแล้วหรือยังหนึ่ง การกลับใจเสียใหม่จากการประพฤติ ท, ที่ตายแล้วสองความเชื่อในพระเจ้าสามคำสอนว่าด้วยพิธีบัพติศมาสี่เรื่องของการวางมือห้าเรื่องของการเป็นขึ้นเจากความตายและสุดท้ายครับหกเรื่องของการที่พากษาลงโทษเป็นนิตเนี่ยครับหกประการนี้เพื่อที่จะให้คริสตจักรและคริสเตียนสมาชิกทั้งหลายได้เรียนรู้อย่างชัดเจนครับ แลื่เพื่อที่เบสิกต่างๆเหล่านี้เราจะถูกสอนในพระจักของเราสําหรับผู้ที่เชื่อนะครับผู้ที่จะรับปริกมาผู้ที่กําลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งอนุชนทั้งหลายครับจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เรื่องนี้นะครับอย่างดีเพื่อที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปอามน